นีต่อไปบางคนเนี่ยนะรักษาศีลได้อย่างดีเพราะมีทั้งฮิริและโอตตปะคารบทั้งตนและคารบทั้งพระตนะตรัยเนี่ยนะคารบพระพุทธเจ้าเป็นต้นคารบผู้มีพระคุณก็เลยไม่ยอมทุศีลไม่ยอมล่วงละเมิดศีล แต่เเป็นจริงๆนะบางคนไม่กล้าทำบาปเพราะกลัวคนอื่นเขาไม่สบายใจเนี่ยนะโดยเฉพาะกลัวผู้มีพระคุณไม่สบายใจเราจะทำให้ผู้มีพระคุณไม่สบายใจได้อย่างไรเนี่ยนะก็เลยก็เลยทำให้เป็นคนศีลดีเนี่ยนะบางคนไม่ดื่มเหล้าก็เพราะเกรงผู้มีพระคุณจะไม่สบายใจเนี่ยนะทีนี้บางคราวถ้าเกิดศีลมันจะขาดทําไง ก็ทาให้ศีลที่ขาดนั่นแหละกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วพลันถ้าเป็นพระภิกษุถ้าเป็นอาบาัตสังฆาธิเศษก็อยู่ปริวาสกรรมเป็นต้นถ้าเป็นสัมมะเนนก็ทาทันตกรรมเป็นต้นเนี่ยนะททันตกรรมชาระคืนเพราะมีฮิริโอตปะอย่างที่กล่าวไปแล้วทีนี้ศีล น, นั้นถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยแบ่งออกเป็นสองลักษณะใหญ่ๆคือวารีศีลกัจจารีศีล วารีตนั้นกล่าวถึงความงดเว้นจารีตก็คือการประพฤติปฏิบัติในสองอย่างนี้มาดูวารีตก่อนเกี่ยวกับเรื่องการงดเว้นงดเว้นนี่ก็คือไม่พ้นการล่วงเว้นจากการละเมิดอกุศลกรรมบทนั่นเองไม่ยอมล่วงละเมิดอกุศลกรรมบทคําว่า ง, งดหรือเว้นเว้นในที่นี้ก็คือเว้นการล่วงละเมิดอกุศลกรรมบททั้งหลายเช่นแรกก็บอกว่าเป็นผู้มีจิตอินดูในสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยที่สุด แม้แต่ฝันก็ไม่เกิดความโกรธต่อสัตว์เนี่ยนะบางคนเนี่ยฝันฆ่าสัตว์ทั้งวันทั้งปีทั้งชาติเลยนะแต่นี้ก็ไม่มีใจเราโดยที่สุดแม้ในความฝันก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์เรียกว่าบริสุทธิ์ขนาดนั้นเนี่ยนะอัธยาศัยดีขนาดนั้นบางคนเนี่ยตื่นนี่ ย, ยังไงก็ไม่คิดฆ่าแต่ฝันเนี่ยไม่ได้อย่ามาหาเรื่องเด็ดขาดเลยนะเพราะฆ่าในฝันไม่ผิดกฎหมายเนี่ก็เลยเอาใหญ่เลยทําหมดนะนะฆ่าไม่เลือกใครก็ฆ่าได้หมดอนะ่ะในฝันเพราะั้นคนนี้ชอบฆ่าในความฝัน ก็แสดงว่าใครที่ฝันที่ฝันว่าฆ่าสัตว์เป็นต้นก็แสดงว่าอัธยาศัยยังไม่ดีก็ถามว่าทำยังไงก็สมาทานบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆสมาทานบ่อยๆมากๆว่าขอเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่าได้ทําอย่างนั้นอย่าได้คิดอย่างนั้นเนี่ยนะจนกว่าอัธยาศัยจะบริสุทธิ์จะได้เลิกฝันว่าฆ่าสัตว์สักทีหนึ่งเนี่ยนะทีนี้ศ่วนข้อสองเขบอกว่ามีอัธยาศัยไม่จับ ต้องของคนอื่นเหมือนว่าเห็นของคนอื่นเหมือนเห็นงูเลยอ่ะเหมือนเห็นงูชัดๆเลยบอกว่าเขาในพระวินัยเนี่ยมีพระภิส <memories. S 2> <nement, S 1> nee ูจบางรูปชอบวิปฏิสานเดี๋ยวไปจับของคนอื่นว่าไอเราประราชิกหรือยังเนหห <icion> ี่ยท okay. <pr> ี่ไปหยิบเอาของคนอื่นที่เนี่ยราคาของระดับนี้ประราชิกแน่เนี่ยใจมันรวนเรียนนะเป็นคนที่ใจไม่ค่อยแน่นอนผมประราชิกหรือยังผมประราชิกหรือยังบอกวันหลังก็แก้แบบเนี้เขาบอกว่าเห็นของคนอื่นแล้วมองเห็นงูก็แล้วกัน อ ย, อย่าไปสุกซนอย่าไปเยี่ยวหยิบฉวยเอาจับเอาของคนอื่นไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้คือคือศีลดูนี้ขาดเนี่ยนะหมายความว่าของเคลื่อนจากฐานแม้ชั่วปลายเส้นผมหนึ่งก็ก็ขาดจากศีลแล้วตอนก่อนที่จะจับของคนอื่นเนี่ยเรากาลังจับงูอยู่นะกําลังจะจับงูอยู่นะตั้งใจไว้ให้ดีเจตนาดีไหมเจตนาบริสุทธิ์จริงไหมแล้วค่อยจับค่อยต้องของคนอื่นเขา ขณะเดียวกันก็เป็นของอมีการยินดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะเช่นของเข้าของเขาตกเขาหล่นเขาเสียหายก็ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เจ้าของเขาได้รับคืนไปเนี่ยนะตี๋เกี่ยวกับศีนข้อสมถ้าหากว่าบวชเป็นนักบวชเป็นบนรรพชิตก็ประพฤติห่างไกลาจากอพรมจรโดยที่สุดแม้แต่เมถุนสังโยตเจประการเมตุนสังโยกเนี่ย น, นะไม่ต้องพูดถึงการล่วงภรยาของคนอื่น นี้ถ้าหากว่าเป็นครหัดล่ะถ้าไม่ได้บวชแม้จิตที่เป็นบาปให้เกิดขึ้นในพริยาของผู้อื่นก็ไม่มีเรียกว่าโดยที่สุดแม้แต่ชู้ทางใจก็ไม่เป็นไม่ต้องกล่าวถึงกายและวาจาถ้าท่านจะพูดคำพูดที่พูดก็พูดพอประมาณพูดคำจริงเลยนะพูดคาจริงพูดน่ารักคือพูดไม่อยากกล่าวเป็นอัดกล่าวเป็นธรรมกล่าวถูกก่าละอันนี้เรียกว่าศีลทางวาจาดีเยี่ยม คือใช้คำเนี่ยพอประมาณแต่พอสมพูดทุกคำเนี่ยมีประโยชน์และเป็นความจริงเป็นคําพูดแล้วตัวเองฟังแล้วยังโดยมากเนี่ยคนเนี่ยนะพูดจบแล้วเดือดร้อนใจตัวเองเพรา ะ, ะนั้นพูดยังไงที่ตัวเองไม่ลำบากใจเมื่อพูดจบนั่นแหละเขาเรียกว่าถ้อยคําที่น่ารักที่สุดเนี่ยนะคือตัวเองเนี่ยไม่เดือดร้อนใจถ้าคนอื่นพูดคํานี้กับตนในกรณีเดียวกันแล้วคนอื่นเขาพูดอย่างนี้กับตนก็ยินดีนี่แหละเขาเรียกว่าใช้ถ้อยคําที่ น่ารักน่าพอใจแล้วก็คำพูดนั้นกล่าวเป็นธรรมหมายค่ะว่าพูดทุกคำมีประโยชน์เนี่ยนะแล้วก็พอดีเรียกว่าตามกาละอันสมควรนี่ก็ไม่โลภไม่โลภ ก, ก็คืออานาพิชชาไม่พยาบาทคืออัพยาบาทมีความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่วิปริตประกอบด้วยกรรมมกตาสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็คืออะไรเว้นจากอกุศลกรรมมาบทคือเป็น เป็นผู้ที่รักษากุศลกรรมบทการรักษากุศลกรรมบทนั่นแหละเรียกว่าวารีตศินนะการรักษาวารีตศีนก็คือรักษาไม่ให้มีเจตานาน้อมไปเพื่อการข้ามไม่ให้มีเจตานาโน้อมไปเพื่อการรักไม่ให้มีเจตานาโน้อมไปเพื่อก้าวล่วงความประพฤติผิดในกามไม่น้อมไปเพื่อพูดเท็จพูดส่ อ, สอเสียดพูดคําหยาพูดเพ้อเจ้อ ยินดีในความไม่โลภมีความสุขที่จะกําจัดความโลภมีความสุขที่มุ่งกําจัดความโกรธเนี่ยนะตมิคความโลภตนิคความโกรธมีความเห็นในเรื่องกรรมและผลของกรรมมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในการปฏิบัติถูกต้องมีศรัทธาอย่างมั่นคงในการรักษากุศลกรบมบทมีความรักอย่างมั่นคงในการรักษากุศลกรบมบดมีความสุขในการ รักษากุศลกรรมบทเห็นว่าอะไรที่เป็นเหตุใกล้ให้ตัวเองล่วงบาปประทำเนี่ยนะเดือดร้อนทันทีเนี่ยนะน้อมไปที่จะประพฤติธรรมน้อมไปเพื่อที่จะเว้นไปจากบาปเพราะถ้าไม่เว้นจากบาปใครเรือร้อนเนี่ยนะเพราะว่ากรรมสโกโมหิสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะก็เรียกว่าร่องรอยแห่งบุญบาปที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นผลของบุญบาปในอดีตแล้วบุญบาปที่กําลังทําอยู่ปัจจุบัน ก็คือสิ่งที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยนะสิ่งที่จะมีต่อไปในอนาคตใครที่เชื่อดวงเชื่อดวงดาวเนี่ยนะรู้เถอะว่าไอ้ดวงไม่ดีวิบากไม่ดีก็คือเหตุที่ทําไว้ในอดีตที่ไม่ดีนั่นแหละมันโครจรมาให้ผลฉันใดการที่เรากําลังทําบาปทําอกุศลตอนนี้ก็คือเท่ากับทําดวงที่ไม่ดีให้ตัวเองในอนาคตการทําบุญทํากุศลการสร้างคุณงามความดีก็คือเขียนดวงดีๆให้ตัวเองใน อนาคตถ้าใครเลือกทําบุญได้ก็เลือกเขียนดวงให้ตัวเองต่อไปในอนาคตได้แต่ทีนี้อย่าไปเขียนบาปให้เป็นดาวจรเป็นปัทุสไยตัวเองตอนหลังก็แล้วกันเพราะนั้นบุญบาปที่เราทำนี่แหละคือร่องรอยบุญบาปที่จะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะาอดีตเหตุก็ผลก็ได้รับกันอยู่เพรา ะ, ะนั้นอดีตเหตุผลก็ได้รับเคยรับเลยอดีตกําลังรับในปัจจุบันและจะรับต่อไปในอนาคต กรรมที่ทำอยู่ปัจจุบันก็จะให้ผลในชาตินี้บางอย่างบางอย่างก็จะให้ผลในพบต่ อ, ตอไปเนี่ยนะเมื่อเรารู้ว่าทุกอย่างคือผลผลิตแห่งกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยนะเราจะเลือกทำสิ่งที่ไม่ดีให้ตัวเองเดือดร้อนต่อไปไหมเนี่ยนะหลายๆอย่างที่เราต้องตามแก้ตามเช็ดล้างเนี่ยนะก็เพราะว่ามันเป็นผลแห่งสิ่งนั้นไม่ใช่ของดี ชั้นใดถ้าเราสิ่งที่เราทำไม่ดีและใครจะรับแทนเราล่ะแต่ถ้าเราไปทำบาปไม่สงสารตัวเองมั่งเลยหรือเนี่ยนะหรือว่าขนาดว่าทำใจได้นะจะเจ็บปวดขนาดไหนก็ยอมทนเพราะกล้าทำเหตุในตอนนี้ก็กล้าสู้ทนต่อไปที่จะเรียกว่าจะน้ำตาเช็ดหัวเข่าเช็ดตรงไหนก็ช่างเถอะเจ้าอะไรมาเช็ดก็ยอมหมดสู้ทุกอย่างเหมาอนั้นขอให้มันได้ทาบาปตอนนี้อนาคตจะเป็นเช่นใดก็ จะยินดีต้อนรับเสมอถ้าทำใจได้ขนาดนั้นก็ตามใจแต่ว่าอย่าให้คิดแบบนั้นเลยมันไม่ดีเพราะอะไรเพราะมันทุกมีทุกเป็นเบื้องหน้าทุกนาหน้าพาไปในอนาคตละได้ก็ละเธอเว้นได้ก็เว้นเธอองนะเพราะอะไรเพราะว่าเราก็จะได้ยื่นประโยชน์และความสุขให้ตัวเองในอนาคตเนี่ยนะการที่เราเทาบาปเนี่ยนะชื่อว่าขาดการุณา ต, ต่อตัวเองในอนาคตการที่เรา ไม่ทำบุญเนี่ยก็เรียกว่าขาดเมตตาต่อตัวเองในอนาคตเพราะผลบุญเนี่ยมันให้ผลเป็นความสุขไม่ใช่หรือการที่เราทำบุญนเนี่ยนะก็เรียกว่ามีเมตตาต่อตัวเองหวังให้ตัวเองได้รับประโยชน์ต่อไปในอนาคตก <c oughs> ารที่ตัวเองไม่ทำบาปก็คือมีการุณาต่อตอนเองเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำเราเดือดร้อนในอนาคตประสงค์ให้ตัวเองนี้ปลดเปื้องไปจากความทุกข์เนี่ยนะพอยากให้ตัวเองประสบความสุขก็เลยทาบุญ ประสงค์จะให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ก็เลยเว้นจากบาปไม่ยอมทำบาปทำอกุศลเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเป็นของของตนเนี่ยนะเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรเนี่ยนะเราเลือกที่จะเป็นอะไรก็เลือกที่กายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมถ้าเลือกทำเลือกคำพูดเลือกคิดได้สุคติก็หวังได้ พร ม, มาโลกก็หวังได้แม้กระทั่งมรรคผลนิพพานก็สําเร็จได้เพราะอยู่ที่กายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมนั่นแหละเนี่ยนะนั้นบุญบาปที่เรากําลังประทับอยู่ที่กายกรรมวจีกรรมคือสิ่งที่จะมีต่อไปในอนาคตถามตัวเองไว้เสมอถ้าจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยนะยิ้มรับผลไหมคิดว่าจะยิ้มรับผลได้ไหมคําที่เราจะพูดคําไหนก็ช่างเถอะคิดว่ามีความสุขไหมที่จะรับผลอย่างนั้น ความคิดทุกอย่างที่เราคิดเนี่ยนะยิ้มรับได้ไหมเขียนป้ายติดไว้ยินดีต้อนรับได้ไหมเนี่ยนะทําใจได้ขนาดนั้นถ้ามั่นใจขนาดนั้นก็ทําไปเถอะเนี่ยนะแต่ที่แน่ๆถึงไม่ยินดีก็มาแน่นอนเนี่ยนะยินดีหรือไม่ยินดีเนี่ยนะอะไรเนาะมันจะมีกําลังเท่ากักบกรรมอีกแล้วก็กรรมนี่มีกําลังจริงๆเนี่ยนะมันตามเบียดไปให้ผลได้ในทุกผนทุกแห่งเนี่ยนะถ้าบาปมันมันให้ผลเนี่ยนะ อยู่สูงขนาดไหนมันก็ฉุดลงมาได้ถ้าบุญจะให้ผลเนี่ยไปอยู่ล่างขนาดไหนมันก็ไปฉุดขึ้นมาได้เพราะนั้นกำลังแห่งบุญเรี่ยวแรงแห่งบุญบาปหรือที่เรียกว่ากําลังแห่งกรรมนี้ยิ่งใหญ่จริงๆถ้าไม่มีกุศลกรรมอย่างดีมาพระพุทธเจ้าจะมีไหมไม่มีหรอกเั้นกรรมสกตาที่มั่นคงนี่แหละทาให้พระองค์นี้ให้ทานและรักษาศีลที่พระองค์เว้นจากความชั่วมาตั้งมั่นในคุณงามความดีเพราะพระองค์รู้กรรมและ รู้ผลแห่งกรรมตั้งมั่นอยู่ในกรรมสกตายานเมื่อพระมหาบุรุษงดเว้นจากอากุศลกรร ม, มบดอันเป็นประตูแห่งอบายียลว่าเป็นทางเป็นข้อดําเนินเป็นปฏิปทาที่จบลงที่อบายทุกคติวินิบาดนรกขณะเดียวกันอากุศลกรร ม, มบดนั่นแหละเป็นทางแห่งวัตถทุกเนี่ยนะจบลงที่ชาติชาราและมรณะเนี่ยท่านก็เลยงดเว้นจากอากุศลกรรม งดเว้นจากอกุศลธรรมเว้นจากการฆ่าเพราะการฆ่าก็คือการแช่งให้ตัวเองไม่ใช่แช่งนะสาบเลยแหละถ้าแช่งเข ย, ยังชั่วนะอาจจะไม่จริงนะแต่ถ้าคําว่าสาบนี่แปลว่าจริงก็คือสาบให้ตัวเองตกนรกและเกิดมาอายุสั้นนั่นนะการฆ่านะสาบให้ตัวเองตกนรกเกิดมาพบใดก็ถูกตามฆ่าแล้วก็อายุสั้นถ้าหากว่าลักทรัพย์ก็เท่ากับสาบให้ตัวเองตกนรกเกิดมานะ แห่งหนที่ใดเมื่อใดก็ขอให้ยากจนเดือดร้อนมีแล้วก็ให้เสียหายถ้าผิดกาเมก็เท่ากับสาบให้ตัวเองตกนรกเกิดมาแล้วก็ให้มีศัตรูคู่เวรคู่พยาบาทเป็นที่รังเกียจของชนหมู่มากถ้าเราพูดคำคำไม่จริงนะพูดเท็จโดยเฉพาะคําที่เรื่องสมควรพูดแล้วไปพูดตั้งใจพูดให้มันผิดจากความเป็นจริงเป็นต้นก็เท่ากับสาบให้ตัวเองตกนรกเกิดมาชาติใดก็ให้ถูกหลอกตลอดไปเนี่ยนะ ถ้าเราด่าล่ะก็สาบให้ตัวเองเสียหายแหละแล้วก็สาบให้ตัวเองถูกด่าต่ อ, ตอไปถามว่าถ้าเราพูดแตกแยกก็เท่ากับสาบให้ตัวเองเนี่ยเดือดร้อนต่อไปในอนาคตเดี๋ยวจะมีอธิบายต่อไปมันถ้าเราสร้างความแตกแยกเอาไว้เท่าใดเนี่ยนะเราเองก็จะประสบแต่ความแตกแยกเนี่ยนะอย่าทำเลยบาปแนมะถ้าบาปมันให้ผลถ้าใครรู้ว่าบาปมันให้ผลและเจ็บปวดนะไม่ทำรอกเนีนะ ยิ่งกว่าเดินเหยียบน้ําเหยียบตะปูอีกมันเดินเหยียบระเบิดชัดๆเลยนะไอเดินเหยียบบาปเหยียบอกุศลนี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เดือดร้อนเดือดร้อนร้อนมันก็เสื่อมจากบุญแล้วก็ประสบบาปมีใช่บุญเป็นอันมากเองนะสร้างแต่ความเจ็บสร้างแต่ความปวดที่จริงก็เคยมาตั้งคําถามว่าอย่างคําสอนในพระไตรปิฎกคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านขวางความสุขเราเลอะเกินเราอยากจะทําบาปให้มันสบาย ใ, ใจสักวันหนึ่งเถอะท่านบอกว่านั่นไม่ได้สุกร้เนี่ยนะนะ นั่นเป็นประตูแห่งความทุกข์เนี่ยนะทุกตอนทําเสร็จแล้วเขาบอกว่าบาปนะมันสาแก่ใจตอนยังไม่ทำแหมันพอได้ทำเนอะนะมันน่าจะมีความสุขแต่พอทําเสร็จแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างเดียวเนี่ยนะไอ้ก่อนทํานี่แหมดูเหมือนมีความสุขกําลังทํานี่มันดูเหมือนมีความสุขแต่หลังจากนั้นทุกอย่างเดียวเรียกว่ายอดหวานดูหวานในตอนต้นแต่ก็เดือดร้อนเล่าร้อนในตอนปลายก็เลย เว้นจากบาปเว้นจากอากุศลสมท า, านดํารงมั่นตั้งมั่นในกุศลกรรมมาบทสิบที่เป็นทางแห่งสวรรค์ดํารงมั่นในกุศลกรรมบทสิบเป็นต้นซึ่งเป็นประตูแห่งพระนิพพานมีความปรารถนาในอันเข้าไปประกอบประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้สําเร็จตามความปรารถนาเพราะอัธยาศัยของท่านน้อมไปว่าทําำไฉสัตว์อื่นพึงมีอายุยืนยาวเนี่ยนะ หวังหวังแต่ความสุขความเจริญว่าสัตว์อื่นพึงอายุยืนยาวสัตว์อื่นพึงเจริญด้วยโภคขรศัพท์ทั้งหลายสัตว์อื่นพึงอยู่ในครอบครัวเขาอย่างมีความสุขนะไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัวขอให้สัตว์อื่นเนี่ยนะได้รับแต่คำสัตว์คำจริงไม่มีความแตกแยกฟังแต่ถ้อยคำที่ไพเราะฟังในสิ่งที่มีประโยชน์นะก็หวังแต่ความสุขแล้ว ความเจริญนั้นเป็นอัธยาศัยของพระมหาบุรุษพั้นพระมหาบรุษคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเนื่องจากท่านมีอัธยาศัยอย่างนี้โดยมากท่านปรารถนาสิ่งใดก็สําเร็จอย่างที่ท่านปรารถนาเนี่ยนะขอให้ท่านปรารถนาเท่านั้นอนะ่ะนั้นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ปรารถนาสิ่งใดก็สําเร็จผู้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบดสิบดีเยี่ยมมีประโยชน์ค่ที่ดีปรารถนาสิ่งใดก็สําเร็จปั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยนะ พระมหาบุรุษย่อมให้อภัยทานแก่สัพพสัตว์โดยไม่ประพฤติเบียดเบียนให้อภัยต่อชีวิตเรียกว่าให้อภัยเนี่ยภัยนี่แปลว่าน่ากลัวอภัยก็คือให้ความไม่น่ากลัวใครมันจะน่ากลัวเท่ากับสูญเสียชีวิตใช่ไหมอะไรเนาจะเป็นที่รักของตัวยิ่งกว่าชีวิตอีกแล้วบอกท่านไม่ต้องกลัวนะข้าพเจ้าจะไม่เอาชีวิตของสัตว์ใดๆทั้งนั้น ยินดีที่จะให้เขามีความสุขและมีอายุยืนนั้นพระโพธิสัตว์ท่านคนิดอย่างนั้นก็เลยให้อภัยทานแกสัตว์พสัทั้งหลายไม่เบียดเบียนสัตว์พสัทั้งหลายทางกายไม่เบียดเบียนทางวาจาเนะไม่เบียดเบียนสัตว์ขณะเด <gypt> ียวกันก็เจริญเมตตาภาวนาให้แก่สัตว์ทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขให้สัตว์ทั้งหลายมีอายุยืนยาวนานประสบแต่ความสุขและความเจริญไม่เดือดร้อนนั้น ผลแห่งการเว้นจากการฆ่าทําให้ท่านยินดีที่จะมีใจเจริญเมตตาเมื่อมีใจยินดีเจริญในเมตตาก็จะบรรลุอ น, นิสงส์ส1บประการหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอามนุษย์เทวดาปกปักรักษาไฟศาตรายาพิษเป็นต้นไม่กล้ามกลายไม่หลงทากาละ ถ้าไม่บรรลุคุณวิเศษคืออรหัตผลก็พรหมโลกนี่ยนะมันก็อั น, นิี้สงแห่งเมตตาทั้งหลายก็จะมีแก่ท่านเพราะท่านเป็นผู้อยู่ด้วยเมตตาใครที่ไม่คิดจะเอาชีวิตผู้อื่นเนี่ยก็ยอยู่ด้วยเมตตาผลแห่งบุญอันนั้นทําให้สุขภาพดีป่วยน้อยถ้าป่วยก็ป่วยแต่น้อยอาพาธน้อยถ้าป่วยแต่น้อยแต่คําพูดนี้แปลว่าไม่ป่วยสุขภาพดีเอ้ไครนะมาเล่าให้ฟังวันก่อนบอกว่า อ, อายุร้อยกว่านะ ทำอะไรได้อยทุกอย่างหมดเลยใช่ป่ะร้อยร้อยกว่าปีเนี่ยนะสุขภาพยังดีแต่ว่าทานแต่กล้วยเนี่ยนะทานข้าวทานอะไรไม่ได้ไม่ไม่ทานละทานแต่กล้วยทานแต่ผลไม้แต่อายุร้อยกว่าปีก็อยู่อย่างสบายเนี่ยนะโอ้ทาบุญอะไรมาเนาะยังมีความสุขความเจริญอย่างนั้นจริงๆอายุร้อยกว่าปีนี่ยังไม่เดือดร้อยเลยสุขภาพดีเยี่ยมเหมือนกันไม่เคยป่วยเลยไม่เคยบางคนบอกว่ไม่เคยกินพาราเลยไม่รู้มันเป็นยังไงเทานั้น มันก่อนเออยมที่สุรินทร์คนหนึ่งมันก่อนก็เล่าให้ฟังบอกว่าไอ้กินยานี่ไม่รู้มันเป็นอะไรเขาอ่ะไม่เคยกินยาคเขาเกิดชีวิตนี้ไม่เคยกินยาเขามีอกุศลมันให้ผลข้างเดียวตาบอดไปข้างหนึ่งลูกน้องตีตะปูแล้วตะปูมันแฉลบมาถูกตามีบอดอยู่ข้างเดียวนะแต่ว่าไม่เคยเป็นอย่างอื่นเลยว่าเกิดมาไม่เคยไปไโรงพยาบาลมันเป็นยังไงไม่เคยเห็นอะไรนะสุขภาพดีเยี่ยม แต่ว่าช่วงไม่กี่วันมาเนี่ยฟังมิตรใครเล่าให้ฟังบอกร้อยกว่าปีเนี่ยสุขภาพแข็งแรงไม่เคยป่วยเคยไข้แทบไม่ได้กินยุ่กินยาอะไรเลยเนี่ยนะอยู่สวามีความสุขก็นี่เป็นผลของบุญ น, นะเป็นผลของบุญที่เกิดจากการไม่เบียดเบียนสัตว์ใช้ชีวิตดํารงอยู่ด้วยเมตตามันเมตตานี่ก็ทําให้มีความสุขเนี่ยนะเพาะสาเหตุแห่งความสุขไม่ป่วยไม่ไข้สุขภาพดีก็เนื่องจากมีเมตตาทําให้อายุยืนยาว มีความสุขมากเนี่ยนะมีความสุขมากแล้วก็ตัดอุปนิสัยที่เป็นทุกข์เป็นโทษผู้ที่อยู่ด้วยศีลข้อที่หนึ่งแล้วก็ดํารงอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะทำให้อายุยืนยาวไม่ไม่ตายด้วยการปองร้ายของคนอื่นบางคนนะตั้งแต่เกิดมาคนอื่นหวังปองร้ายตลอดชีวิตแต่ว่าก็ไม่ประสบความสําเร็จอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วจึงตายก็มีอย่างบางคนเนี่ยนะเมื่อไม่กี่ผู้นําประเทศบางประเทศเนี่ยนะเกิดมาแค่ฆ่าคนมาล้วนเลย ค่าเป็นหมื่นคนแต่ตายเพราะป่วยแต่ถามว่าโอทําไมไม่ถูกฆ่าบอกผลบุญในอดีตเขาตามรักษาไว้อย่างดีเยี่ยมแต่ว่าในที่สุดก็ตายพอตายแล้วบอกโอชาติต่อไปไม่ต้องห่วงชาติต่อๆไปในอนาคตนี่ก็ของใครก็ของใครหวังว่าคงไม่ได้เป็นญาติกันในะอนาคตแต่ชาติเจอญาติกันนะเดือดร้อนแน่นะนะสมมติถ้าเามาเกิดเป็นลูกเราอีกพักหนึ่งถูกฉุดเอาไปประหารยังไง น, นนะ ถ้าเกิดเป็นญาติเราเดี๋ยวว่าถูกประหารเป็นโดนโอ้โหน่ากลัวจริงๆคนที่ทําบาปทํากรรมน่ยนะก่อนฟังไอค้คนคนคนหนึ่งนะไม่รู้มันเกิดมามันเฮี้ยมโหดอมมาเห็ดมาขนาดไหนเคยเคยเห็นไอ้เขาบดปลาหมึกไหมนั่นแหละนั่นแหละวิธีนั่นเอาไว้ฆ่าคนของคนบางคนนี่ยนะมันเฮี้ยมขนาดนั้นแต่ในที่สุดก็ถูกฆ่าไปเรียบร้อยนะเพราะพะ อ, อะไรก็กรรมทํากรรมเช่นใดนี้เขาบอกว่าไม่น่ากลัวที่ถูกฆ่า มันแค่ชาติเดียวแต่ว่าแหมจะถูกฆ่าอีกกี่ล้านชาติเนะ้ะไม่ใช่ว่าเราฆ่าคนหนึ่งคนแล้วบาปอันนั้นมันจะให้แบบถูกฆ่าครั้งเดียวนะนะบางนะเขาบอกว่าห้าร้อยครั้งนะไหมบางทีเนี่ยอย่างบางอย่างนะสมมติเขามีเรื่องหนึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยนะยังก็เดินไปก็เห็นไอ้แพะเขามีมีอาจารย์ที่สาปามโมกเขาจะฆ่าแพะเพื่อบูชายันเข า, างั้น ที่มาเขาเรียกว่าแพ้ระบบาปนะก็คือทุกอย่างก็โยนให้แพ้หมดก็คือค่าแพ้บูชายันทีนี้จะค่าแพ้ก็เอาแพ้มาเสร็จแล้วแพ้มันพูดได้มันก็หัวเราะเสร็จแล้วมันก็ร้องให้อาจารย์ที่จะเอาไปประหารเนี่ยนะเอาไปเชือดเพื่อบูชายันเนี่ยก็ทําไมหัวเราะแล้วทาไมร้องให้ก็หัวเราะตรงที่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย เพระถูกฆ่าอย่างนี้มา500ชาติแล้วเมื่อก่อนฉันก็เป็นเหมือนท่านนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยฆ่าแพะหนึ่งตัวตัวนั้นแหละเนี่ยถูกฆ่ามาแล้ว500ชาติเนี่ยชาติที่500ก็เลยดีใจว่ามันครั้งสุดท้ายแล้วจะได้จบได้สิ้นสักทีหนึ่งเอาเสร็จแล้วทำไมท่านร้องให้ทําไมเพราะท่านมาเดินตามรอยข้าพเจ้าเนี่ยจะให้ข้าพเจ้าดีใจได้ยังไงที่ข้าพเจ้าร้องให้เพราะท่านมาเดินตามที่ข้าพเจ้าทํา ท, ทุกอย่างก็เลยร้องให้อาจารย์นั้นก็เลยสะดุ้งตกใจกลัวฉันไม่ทําล้ไม่ทนะําละ ยังไงวันนี้ฉันก็ตายแพะมันบอกนะวันนี้ยังไงก็ตายไม่ตายจะดูแลอย่างดีก็เลยใช้ให้ลูกเสร็จเนี่ยเยอะเลยมาคอยดูแลแพะป้ายยังไงก็จะจะให้ใครมาฆ่าแพะตัวนี้นะช่วงนั้นฝนมันจะตกฟาร์มก็ผาหินสเก็ตหินก็บาดคอตายพอดีแพะเจ้ากรรมมันก็ในที่สุดก็ตายจนได้พระั้นเพราะถ้ากรรมมันให้ผลจะองครักษมาพิทักขนาดไหนก็ไม่รอดว่าไง นี่ก็เหมือนกันแต่ถ้าบุญมันให้ผลนะโอ้ยอยู่ในสถานการณ์อย่างไรเครื่องบินตกยังไม่ตายเลยเนี่ยตายหมดทีเหลือเด็กคนสองคนเนี่ยรอดไปได้ยังไงปาฏิหารค่ะกันแล้วก็คือถ้ายัางไงนะหลายๆสถานการณ์เนี่ยไม่ตายเพราะถ้าบุญรักษาอะไรจะยิ่งเท่ากับบุญนะบางคนเนี่ยแทบไม่รัคายเครื่องอะไรเลยเนี่ยนะคนอื่นเจ็บระนาวอีกคนหนึ่งถลอกนิดหน่อยก็เจ็บเท่ายุงกัดเว่ากันนะบางคนนี้ก็มีบุญอย่างนั้น พันก็ผลของบุญเนี่ยนะถ้าใครรู้อย่างนี้ก็ต้องหมั่นสมาทานปารบศีลเหล่านี้บ่อยๆสมาทานศีลอธิษฐานศีลตั้งใจเนี่ยนะปานาติปาตาให้มีอัธยาศัยอย่างนั้นในตอนต้นอาจจะผลของกรรมเก่ามาเบียดเบียนตามเบียดบ้างอะไรบ้างบางัทนเอาเนี่ยนะแต่ว่าบุญใหม่ที่เรากําลังทํานี่สิจะให้ผลเป็นความสุขอายุยืนไม่ถูกปองร้ายเป็นต้นเนี่ยนะก็ปกปักรักษาเอา ทีนี้ศีลข้อที่สองต่อไปบอกว่าเพราะไม่ลักทรัพย์ทรัพย์ของท่านจึงเป็นพวกคสมบัติที่ไม่สาธารณะแก่โจรเป็นต้นอาบางคนเนี่ยนะมีทรัพย์โจรก็ไม่ปล้นไม่ถูกยึดไม่ถูกริบไม่ถูกล้างถูกผานถูกอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็เพราะว่าศีลข้อนี้ดีทําให้ไม่ถูกริบทรัพย์เป็นต้นแล้วก็คนอื่นก็ไม่รังเกียจเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่ชอบใจ มีแต่คนคบหาสมาคมมีจิตใจไม่คล่องแวะในะวิภาวะสมบัติเนี่ยนะก็คือหมายความว่าไม่มีอุดเฉืที่ติเชื่อในเรื่องของการให้ว่าการให้การทำบุญเนี่ยมีผลมีอัธยาสัยชอบบริจาคตัดวาสนาแห่งความโลภอันนี้เป็นผลที่ท่านสมาทานสี่ข้อที่สองเป็นอย่างดีสมาทานกุศลกรรมบทข้อที่สองทรัพสมบัติจึงจงว่าคนอื่นมุ่งจะทาร้ายยังไงก็ มุ่งจะทำลายยังไงก็ยังอยู่ตามเดิมเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีซัพยั่งยืนรั์แน่นอนแล้วก็มีรั์ที่มั่นคงเป็นที่รับเป็นที่ชอบใจเป็นที่คบหาสมาคมของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มีอัธยาศัยมุ่งกำจัดความโลภเนี่ยนะเพราะไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ก็คือรักษาพรหมจรรย์ได้อย่างดีจึงเป็นผู้ไม่โลเล มีกายสงบมีใจสงบเนี่ยนะคือคนที่มีใจมุ่งอะพรหมจรรย์นเนี่ยนะกายก็เดือดร้อนใจก็เดือดร้อนกายก็ลำบากใจก็ลำบากแต่เพราะไม่ล่วงไม่ละเมิดรักษาปกปักราพรหมจรรย์เป็นอย่างดีทำให้กายใจสงบผู้ที่มีกายและใจที่สงบอย่างนี้จึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่รังเกียจของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเพราะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนี่นะบุตรภริยาของผู้ใดเขาก็ห่วงอยู่แล้วพันถ้าหากว่ารู้ว่าผู้อื่นก็ามาประทุสล้ายเข้าล่ะเขาจะคิดอย่างไรฉันใดผู้ที่งดเว้นรักษาศีลข้อนี้ดีจึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่รังเกียจของสาทั้งหลายชื่อเสียงอันดีงามก็ฟุ้งขจรไปไม่มีจิตข้องในมาตุคามทั้งหลายเพราะมียธยาศัยไม่โลภเป็นผู้หนักไปทางเนคขมะได้ลักษณะตัดวาสนา ที่เลวร้ายคือความโลภเนี่ยนะเรียกว่าตัดความเลวร้ายคือความโลภออกไป น, นะด้วยจิตใจที่ไม่โลภไม่มีจิตใจที่ไม่คลองไม่แวะเป็นจิตใจที่มุ่งต่อเนฆคัมะขณะเดียวกันเพราะไม่พูดเท็จไม่พูดเท็จจึงเป็นประมาณของสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่มีคำพูดที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้ในถ้อยคำมีถ้อยคำที่เรียกว่าถ้าคนนั้นพูดเป็นอย่างนั้นจริง ไม่มีเปลี่ยนนะถ้าถ้าคนนั้นพูดก็เรียกว่าเป็นมาตรฐานได้เลยเพราะฉนคนที่บางคนเนี่ยนะใช่วาจาเป็นขนาดนั้นถ้าพูดสิ่งใดแล้วก็จะเป็นสิ่งนั้นกลายเป็นเครี่ว่าพวกวาจาสิทธิ์อย่างพระพุทธเจ้านี่วาจาของพระองค์ไม่เป็นสองเนี่ยนะพุทธพจน์วาจาไม่เป็นสองเพราะรักษาสัมมาวาจามาเป็นอย่างดีเว้นจากการพูดเท็จฉนคนที่ใช้ถ้อยคําที่เป็นศักดิ์เป็นจริงแล้วก็มีสมุดถานที่เกิดจากปัญญา เกิดจากความไม่โลภเกิดจากความไม่โกรธเกิดจากใจที่มีเมตตารอบรู้จึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของถวยเทพมีปากหอมแต่ก็บางคนนี่กลิ่นปากไม่แรงมากเนี่ยนะแต่บางคนนี่ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นปากเลยก็นี่ก็เป็นผลของศีลข้อนี้มีบางท่านก็เล่าให้ฟังว่าโอเ้เขานี่มีกลิ่นปากรุนแรงมากว่างั้นก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยก็แม่บ้านไม่รังเกียจว่างั้นไม่งั้นก็เดือดร้อนแน่ห้อง เขาไปไหนก็ต้องอมอะไรไว้สักอย่างหนึ่งตลอดเวลาแต่ถ้าไม่อมอมเมื่อไรก็คนใกล้เดือดร้อนหมดาะนั่นน่ะเป็นผลของคือมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมีกลิ่นปากเหม็นจริงๆ